อตอนนี้ได้ข่าวว่าลิง่ลิงกำลังกลายเป็นปัญหาระดับประเทศนะเพราะว่ามันก่อกวนนะที่ต่างๆมากมายเมื่อวานี้เขาก็รายงานว่ามีประมาณ4ี่สิกว่าจังหวัดเกือบ5้าิบจังหวัดนะที่เดือดร้อนเพราะลิงนะลิงที่มันอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะ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 มันมีลิงประมาณสองสามฝูงแล้วก็ก้าวร้ามากขึ้นเขาก็เลยกำลังกลายเป็นวาลัคแห่งชาตินะว่าจะจัดการกับลิงอย่างไรไอ้ลิงนี่มันจัดการยากนะเพราะว่ามันฉลาดเขาทางกรมอุทยานี่เคย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 เพียงแค่เขาง้างไกเนี่ยมันก็รู้แล้วมันก็หลบหายไปมีคนนึงเขาเล่าว่านี่เ้ามีหน้าที่จับลิงไปปล่อยที่อื่นเนี่ยลิงมีประมาณ66ตัวต้องใช้เวลา2ปีนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆไอ้ลิงนี่มันฉลาดมากเดีย๋ยวนี้ลิงมันรู้จักวิธีการเรียกค่าถ่ายด้วยนะ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 เรารู้มากแค่ไหนมันก็รู้มากเท่านั้นแหละและ้วมานก็นหาทางหลอกล่อเราจนได้มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่หมาทลายหัดใหญใช่ช่วงนี้เขาบอกว่ามีกำหนดที่ต้องเขียนตำราเขียนตาราแต่ว่าเขียนไม่ได้สักทีเลยเวลาจะลงมือเขียนตำรา มันก็มีเรื่องมีมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้อยากทำนะเขียนไปได้สักหน่อยสักสองามชั่วโมงเดี๋ยวก็อะต้องไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพื่อนสักหน่อยเพื่อไม่สบายเดี๋ยวต้องไปซื้อของสักหน่อยนะนะ เ, เดี๋ยวต้องไปกราบพระทำบุญหน่อยคือมันจะมีเรื่องให้ทำโน้นทนํานี่ผ่านม า, าทิศหนึ่งแล้วยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะเพราะว่ากิเลสมันหลอกไปนะ กิเลสมันไม่อยากเขียนตํารามันเบื่อมันก็คิดโปรเจกต์โน่นนี่ให้ให้เราหลงเชื่อคล้อยตามนะเนี่ยผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะโดนกิเลสมันหลอกกิเลสตัวนี้มันกิเลสชื่อตัวขี้เกียจ น, นะมันหลอกให้ไปทํโน่นทํานี่ซะจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนตํารา